มารยาททำไมน้อยลงคนไร้มารยาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความผิดของอะไรแม้ไม่ตั้งข้อสังเกตคุณก็จะรู้สึกได้ว่าคนยุคเรามีมารยาทน้อยลงเรื่อยๆจะเอาเข้าตัวข้างเดียวนัดแล้วไม่เป็นนัดทิ้งงานกลางคันทำผิดไม่รู้สึกผิดไม่ขอโทษเห็นการทำหน้าทำตาหญิงยะโสเป็นเรื่องเท่ พูดหยาบคายทำท่าทีดูถูกทั้งที่เพิ่งเจอกันกล้าขอความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าแต่ไม่คิดให้ความช่วยเหลือแม้กับคนสนิทอันที่จริงคนส่วนใหญ่ยังดีีกันอยู่แต่คุณก็ได้เห็นเรื่องหน้าแปลกใจบ่อยขึ้นเรื่อยๆตามท้องถนนในร้านอาหารในที่ทำงานทั้งจากคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าที่แสดงความเห็นแก่ตัวอย่างเหลือเชื่อ ชนิดไม่ลังเลกับการเผยความไร้ามารยาทซึ่งซึ้งหน้าบางทีก็ในระดับที่คุณอยากเอามาบ่นให้เพื่อนฟังคำๆแต่บางทีก็ในระดับที่คุณอยากมีเรื่องเดี๋ยวนั้นอาจจะเพราะเราอยู่ในยุคของความด่วนได้คือได้อะไรด่วนๆกันจนเคยชินอยากได้คำตอบก็หยิบมือถือขึ้นมาเซิร์ช Google ไม่ได้คำตอบจาก Google ก็ตั้งกระทูถามขอความเห็นใจ อ้างว่าเรื่องใหญ่เรื่องร้อนสำคัญมากต้องได้คำตอบเดี๋ยวนี้เลยใครไม่ตอบคือใจร้ายดูดายหน้าประนามประมาณนั้นความรู้สึกรอไม่ได้ทนอะไรนานๆไม่ไหวคิดเรียกร้องขอความช่วยเหลือก่อนช่วยตัวเองนำไปสู่ความเร่งร้อนไร้มารยาทอาจเพราะเคยชินกับการได้อะไรทันใจมาแต่เด็กโดยเฉพาะย่างยิ่ง ที่โตมากับความทันใจของมือถือมือถือจึงไม่ใช่แค่เรื่องมือสื่อสารอีกต่อไปแต่เป็นอุปกรณ์สนองความอยากส่วนตัวเทรนสมองให้สนใจเฉพาะเรื่องของตัวเองได้อย่างใจตัวเองและที่สำคัญคือทันใจตัวเองเมื่อถึงยุคที่คนไร้มารยาททั่วเมืองใครอยากได้อะไรกวักมือใส่หน้าคนอื่นทันทีไม่พอใจใคร ก็โล่งด่าทันใดกันไปหมดโลกคงเหมือนเข้าสู่กาลยุคที่น่ากลัวแต่วันนี้ยังไม่ขนาดนั้นและคุณก็มีสิทธิทาใจเลือกได้สองสาอย่างเช่นหนึ่งทนทนไปจนกว่าจะชินกับการเห็นเด็กรุ่นใหม่มารยาทแย่ลงเรื่อยๆส่วนตัวรอเกิดใหม่ในยุคที่ไม่มีมือถือไม่มีเครื่องกระตุน้นความด่วนได้เหมือนยุคนี้คาดหวังว่าถึงยุคนั้น คนจะกลับไปมีมารยาทกันมากกว่านี้ 2. อ, อยู่กับความมีมารยาทของตัวเองแล้วถ่ายทอดมารยาทไปสู่ลูกเริ่มจากการป้องกันไม่ให้เขาสนใจตัวเองจนตัดขาดจากความสนใจคนอื่นและโลกภายนอกเช่นฝึกลูกให้ชินกับการไหว้ผู้ใหญ่ฝึกให้ลูกพูดมีหางเสียงมีคำลงท้ายค้าขากรับผม ตลอดจนสอนให้ลูกรอจังหวะเป็นไม่ใช่นึกอยากพูดก็พลงทันทีไม่สนใจว่าใครกำลังทำอะไรอยู่นอกจากนั้นคุณยังต้องสร้างวินัยแบบที่ไม่มีพ่อแม่ยุคไหนเคยต้องทำมาก่อนนั่นคือมีวินัยในการจำกัดเวลาเล่นมือถือของลูกไม่ปล่อยให้เล่นพร่ำเพรื่อตามใจชอบสัญญาณบอกว่าเขาจะโตขึ้นเป็นคนไร้มารยาท คือการใส่ใจแต่มือถือไม่สนใจโลกภายนอกขอให้มองว่าการใส่ใจแต่มือถือจนลืมโลกนั้นแท้จริงคือการเอาแต่ใจตัวเองยิ่งเอาแต่ใจนักข้อขึ้นเท่าไรสามัญสำนึกเพื่อคนอื่นยิ่งต่ำเตี้ยลงเท่านั้นระหว่างเขาสังสมความมืดจากการเอาแต่ใจตัวเองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละน้อยคุณจะยังไม่ค่อยรู้สึก เลยไม่ให้ความสำคัญวันที่พอแก้ไขได้ก็คิดว่าไม่เป็นไรขี้เกียจเหนื่อยแต่เมื่อไรออก็เอาแต่ใจตัวจนมืดบอดไม่เหลือสามัญสำนึกปกติอยู่เลยเป็นมารยาทคือการแดดจริโลกสวยคุณจะรู้สึกเสียใจรุนแรงเวลานั้นแม้อยากให้ความสำคัญแม้อยากแก้ไขแม้ตระหนักแล้วว่าเป็นเรื่องร้ายแรง พร้อมจะยอมเหนื่อยพร้อมจะยอมออกแรงงัดข้อกับความมืดในใจลูกก็จะได้พบว่าสายไปทำอย่างไรก็เอาชนะไม่ไหวคำว่าสายเกินแก้ที่น่าเสียใจที่สุดก็คือการที่ลูกโตขึ้นกลายเป็นคนไร้มารยาทแม้แต่กับพ่อแม่ตัวเองนั่นแหละ